นายอุทิศผู้ชอบพบกับนิยายรักชนิดยุ่งยุ่งเศร้าเศร้าบ้างดุเดือดบ้างดุร้ายหรือที่ว่ารักอย่างที่เป็นไปไม่ได้นายอุทิศจะมาเอาขัดเกลารด้วยเหตุผลอย่างดีแล้วจึงจะนำเรื่องนั้นมาสู่ผู้อ่านบัดนี้นายอุทิศได้พบเรื่องรักชนิดที่ว่าเข้าแล้วอย่างทุรักทุลี ผมได้พบกับเรื่องรักของชาวป่าชาวไร่เขาอีกแล้วอย่างบังเอิญโดยกระผมได้รู้จักเข้ากับสมิเียนอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีเข้าอย่างบังเอิญเช่นกันและในจอมสมเอียนอำเภอผู้นี้รู้ข่าวว่าผมชอบเรื่องรักที่แปลกๆเขาก็เล่า ว, ว่ารู้จักกับชาวไร่คนหนึ่งที่ขึ้นอยู่กับอำเภอท่ามะกาชื่อในแพ้วุ่มเกตเคหาสถานอยู่ที่ตำบลกระทุ่มคนละฟากน้ำของตัวอำเภอ ในแพ้้มีน้องชายชื่อในกลั่นซึ่งไปมีภรรยาอยู่ตำบลดอนเฝ้าถัดออกไปจากตำบลท่าหวายเหนียวในกลันกน่นพุ่มเกต้นนับเป็นชายที่ทอรหดคนหนึ่งทำไร่เก่งหาปลาเก่งดื่มสุราเก่งทั้งสุราในกฎหมายแล้วก็สุรานอกกฎหมายทั้งยังเลยไปถึงการพนันทุกชนิดอีกด้วยแล้วก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่มีนิยายรักวุ่นๆุ่นอยู่ นายจอมเสมียนอำเภอท่ามะกาได้นัดหมายในแพลวแห่งบ้านกระทุ่มมาพบกับผมที่ร้านอาหารหน้าอำเภอท่ามะกาเราได้ดื่มแล้วก็กินอาหารเรียบร้อยก็พูดคุยกันถึงนายกลั่นน้องชายของเขาสำหรับในแพลวผู้นี้เนี่ยเวลาจะข้ามลำน้ำการมาฝั่งถนนรถนี้ได้สองทาง จะข้ามที่ท่าไหวยเหนียวมาท่ามะกาโดยเรือขนานยนต์หรือว่าเรือจ้างธรรมดาได้ทั้งนั้นแล้วก็จะข้ามอีกท่าหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามกับท่าเรือพระแท่นดงรังก็ได้เช่นกันชาวบ้านทุกๆคนในหมู่อำเภอนี้จะต้องใช้จั ก, กรยานทั้งหญิงทั้งชายเป็นการย่นระยะทางไปมาหากันฉะนั้นเรือจ้างแถวนั้นจึงต้องต่างจากเรือจ้างข้ามฟากอย่างในแม่น้าเจ้าพระยาที่กรุงเทพ เรือที่นั่นจะเป็นเรือแข็งแรงไม่มีหลังคาท้องเรือแบนๆเพื่อต้านทานกับการคลูดแล้วก็ไถไปตามทรายในท้องน้ําเมื่อเรือได้ลอยไปถูกที่ตื้นเขินและเรือมักจะกว้างใหญ่เพราะว่านอกจากจะบรรทุกรถจักรยานแล้วยังต้องบรรทุกผักทุกชนิดข้ามมาถึงตลาดฝั่งเจริญนี้ด้วยการไปเที่ยวของผมตามตําบลที่กล่าวนี้ผมจึงได้พึ่งจักรยานเช่นเดียวกันกับพวกเขา ผมรู้จักกับเพื่อนที่ตลาดท่าเรือพระแท่นอยู่หลายคนก็เลยยืมจักรยานเข้าใช้ได้สะดวกดีผมนําจักรยานข้ามเรือไปฝั่งตรงท่าเรือแล้วก็ขี่จักรยานตัดตรงตําบลแสนต่อแล้วลัดทุ่งบ้านไร่แสนต่อไปบ้านกระทุ่มอีกต่อหนึ่งไปนอนคุยแล้วก็กินเหล้ากันที่บ้านในแพ้เฮ้ยคุณเอ้ยแต่กอนน่อนโน้นเนี่ยจะบ้านผมหรือว่าบ้านใครในย่านนี้นะมันก็เป็นป่าทั้งนั้นแหละ แพรพูดขณะที่ลอยคออาบน้ำอยู่ในลำน้ำการที่เย็นเยือกผมชอบลำน้ำสายนี้เหลือเกินมันเย็นเยือกสมกับเป็นลำน้ำทรายจริงๆลึกบ้างตื้นบ้างตามธรรมชาติลำน้ำทรายอาบไปก็นึกเอาว่ากำลังแช่ตัวเองอยู่ในหน้าน้ำตกไซโยกเพราะว่ามันเป็นสายน้ำที่มาจากที่นั่นนั่นเองเมื่อสมัยโน้นน่ะนะชายน้าที่เรากาลังอาบกันอยู่เนี่ยมันก็เป็นชายฝั่งของป่านั่นแหละ ต้นไผ่เป็นดงเป็นดานไปเลยขึ้นฝั่งก็ระวังงูเงี้ยวเขี้ยวขอแล้วก็เสือช้างกันไปทีเดียวตอนที่พ่อผมเป็นหนุ่มๆ ห, หลังบ้านผมเนี่ยก็อุดมไปด้วยเก้งกวางแต่พ่อผมเกิดมาสัตว์เหล่านี้ก็หลบเข้าป่าลึกไปหมดเพราะว่าพวกมนุษย์เนี่ยมันบุกเบิกทําไร่แล้วก็ทําทุ่งกันไปทั่วผมเด็กๆนี่ยังพอหาไข่ไก่ป่าแถวกาไผ่ชายน้ำเนี่ยได้ทุกวั น, นแน้แผลวพูดถึงสถานการณ์ย่านนั้นให้ฟัง พอขึ้นจากลำน้ำําเป็นเวลาแดดร่มลมตกก็มาคุยกันที่เรือนในแพ้้ดื่มเหล้ากันสบายในแพ้วของผมแม้ว่าจะพูดสำเนียงพินเพี้ยนตามพื้นบ้านแต่ก็ช่างพูดช่างคุยพอรู้เรื่องพวกลูกเล็กๆหญิงชายวิ่งเล่นกันในลานบ้านตะโกนพูดกันเสียงเพี้ยนผมฟังออกบ้างไม่ออกบ้างผมอยากได้ฟังนิยายของน้องชายคุณจริงๆเลยนะผมพูดทํานองปรารบเป็นการเตือนอ๋อในแพล้ร้อง เรื่องเจ้ากลั่นน่ะหรอฮมันสับสนครับยุ่งพิลึกเดี๋ยวนี้ในญ่านเนี้ยใครที่จะออกชื่อเจ้ากลั่นเนี่ยก็พากันร้องว่าเจ้ากลั่นเนี่ยมันตายไปนานแล้วเอ้ายังไงกันล่ะครับเปล่าครับไอ้กลั่นมันไม่ได้ตายอย่างเข้าใจกันหรอกมันยังมีชีวิตแต่มันสับสนคราวไหนไอ้กลั่นมันแอบมาหาผมใครเห็นเข้าก็พากันร้องว่าผีไอ้กลั่นมาหลอกถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าคนที่เขาเห็นไอ้กลั่นตายเนี่ยเขาสับสนอย่างนั้นสิครับครับ สับสนในแผลวตอบแล้วก็ริ่นเล่ากินเรื่องมันอย่างงี้ครับเมียของเจ้ากลั่นน่ะชื่อนางกลมผมเองเนี่เป็นพี่ชายเจ้ากลัน่นก็เท่ากับแทนพ่อแทนแม่เพราะว่าพ่อแม่ตายหมดแล้วผมก็ดูแลน้องชายมาเมื่อตอนเจ้ากลั่นไปรักนางกลมบ้านดอนเฝ้าผมก็คัดค้านแล้วก็ขอร้องมันว่าให้เลิกคิดสัทีเถอะมันจะไม่เจริญใจในวันข้างหน้าก็เพราะว่านางกลมเนี่ยมันเป็นหญิงรําวงอยู่คณะรําวงเรืองรม รำวงหากินตามงานวัดนั่นแหละใครล่ะครับจะอยากให้น้องชายไปได้คนอย่างนั้นมาเป็นลูกเป็นเมียเกรงจะมีเรื่องกันคุณก็รู้นี่ครับผู้หญิงอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องมีผู้ชายมาชอบมากพอสมควรตัวของเจ้ากลั่นเองเนี่ยมันไปรักไปชอบกันก็เพราะว่ารำวงตามวัดนี่แหละแน่แพลวพูดแล้วก็พยักหน้ารินเหล้าดื่มเข้าไปอีกแต่นั่นล่ะคุณเอ้ยคนเราอะนะลงมันชอบของมันเราจะเตือนยังไงก็ไม่มีผล ลงท้ายมันก็แอบพากันหนีก็เพราะว่านางกลมนะ่ะพ่อมันตายมานานแล้วเหลือแต่แม่ก็เป็นลาวแท้ๆนางกลมมันเป็นลูกพ่อเจ๊กแม่ลาวผิวมันก็ขาวผิดลูกบ้านป่าไอ้กลั่นก็เลยหลงอย่างหลับตาช่างมันแนวแผลพูดแล้วก็สะบัดเสียงคล้ายกลับโกรธขึ้นมาอีกยกแก้วเหล้าดื่มรวดเดียวหมดคั้นแรกอะ่ะผมก็ตัดใจทาเฉยๆตามใจมันครั้นมันมาพากันหนีหายไปนานๆก็เกิดห่วงขึ้นมา ไม่มีอะไรหรอกถ้านางกลมไม่เลิกรําวงถือว่าหากินได้เงินมาพอเยียวยากันแต่มันจะมีเรื่องนะสิถ้าชายใดเกิดล่วงเกินเข้าไอ้กลั่นนะสิจะไม่ยอมแต่คุณครับพออีกหน่อยเดียวไอ้กลั่นมันก็พานังกลมมาหาผมมาซ่อนอยู่ที่นี่แหละขอร้องให้ผมไปพูดจากับแม่ยายมันทํานองว่าขอสมาก็เพื่อที่ไอ้เพื่อจะได้ทําไร่ทํามาหากินตามสมควร ผมเองก็ตามใจมันเรื่องก็เลยเรียบร้อยไปมันก็ไปอยู่กับแม่ยายก็ทำมาหากินกันดีแต่พอไม่นานนักเนี่ยนิสัยเก่าๆของมันก็โผล่ออกมาในแผวพูดนิสัยเก่ายังไงกันละครับผมถามเจ้ากลั่นเนี่ยมันมีนิสัยหนักไปทางนักเลงครับดื่มเหล้าเอ้ยการพนันเอ้ยลงท้ายก็เล่นฝิ่นเข้าไปแม่ยายมันก็ชักรังเกียจทีเดียวในแผวพูดแล้วก็สูรปากอย่างสนุกเฮ้อทาไมปริเข้าฝิ่นได้ผมว่า แรกๆ ก, ก็ต่อแตะเจ้าหมูหรือว่าใบพลูนี่แหละหนักๆเข้าก็เลยเอากล้องนอนสูบซะตามธรรมเนียมเดี๋ยวครับคุณแพลวกรุณาสักนิดหนึ่งผมเคยได้ยินแต่ชื่อเจ้าหมูแต่ว่าใบพลูเนี่ยมันเป็นยังไงครับได้ยินแต่ชื่อไม่รู้จักตัวขอได้กรุณาให้ความรู้สักหน่อยด้วยเถอะผมรีบขัดเรื่องแล้วก็ขอความรู้เรื่องหมูใบพลูอ๋อหมูมันก็คือฟินใบพลูมันก็คือฟินอย่างเดียวกันนั่นแหละครับเขาเรียกสองชื่อ ก็คือเอาใบาพลูกินกับหมากนี่แหละครับมาหั่นเป็นเส้นยืสูบหั่นแล้วก็ตากแดดพอแห้งก็เอาลงกระทะเล็กๆผัดกับฟินพอฟินจับใบพลูดีแล้วก็เอาใบาพลูมาสูบก็เลยตั้งชื่อมันว่าหมูส่วนการสูบนะ่ยมันก็ต้องสูบในบ้องกันชาเอาเส้นใบพลูยัดลงไปในพวยบ้องกันชาแล้วก็จุดไฟสูบแนแพร่วอธิบายพร้อมกับทํามือทําไม้ประกอบเออขอโทษเถอะครับชาวบ้านตําบลแถวนี้เนี่ยคงสูบกันทั้งนั้นใช่ไหมครับ อ๋อเป่าหรอครับเป็นบางคนที่สูบแต่ว่าสําหรับกัญชาเนี่ยพอจะมีสูบกันบ้างแล้วไอ้ใบพลูเนี่ยมันมาจากไหนกันละครับนูน่นมาจากป่าเหนือเราขึ้นไปหนุนเกิดจากชาวป่าเหนือน้นําหนครับพวกนั้นต้องทํางานแข่งเวลาเขาก็มาจะมัวนอนสูบฝิ่นอยู่ไม่ได้ก็ต้องเข้าป่าตัดไม้ให้ทันเวลาก็เลยคิดการสูบฝิ่นแบบใหม่ขึ้นเรื่องจะสูบกัญชาแทนฝิ่นเนี่ยมันก็ไม่เหมือนฝิ่นก็เลยเอาฝิ่นมาดัดแปลงสูบพอหายอยาก ระหว่างที่ทํางานต่อเมื่อหมดงานแล้วก็สูบฝิ่นธรรมดาได้เจ้าใบพลูก็เลยเกิดขึ้นเป็นฝิ่นอีกแบบนึงแล้วในกลั่นไปรู้วิธีมาได้ยังไงอ๋อก็วิธีสูบใบพลูนะ่ะมันรู้กันเต็มไปหมดล้วครับในหน้า น, น้นํานี้พวกล่องแพรไม้ไผ่ไม้รั่วเป็นผู้นํามาเผยแพร่พวกล่องแพรไม้ผายไม้รั่วเนี่ไปถึงไหนที่นั่นก็รู้จกักใบพลูพวกล่องแพรนี่นะ งานเขามันมากเวลาล่องแพได้ก็เป็นฤดูแควนี้มีน้ําหลากน้ําแรงครับการล่องแพก็ต้องระมัดระวังของตัวเองไม่ให้ตกแตกระวังที่สุดเวลาจะจอดแพพักนอนริมฝั่งน้ําก็ต้องทํากันอย่างชํานาญแม้จอดแล้วก็ตามต้องคอยระมัดระวังกระแสน้ําอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นพวกนี้ก็เลยนิยมสูบใบพลูมากกว่าจะนอนสูบฝิ่นเพราะว่าการสูบใบพลูเนี่ยมันเร็วทันใจเท่าๆกันกับสูบกัญชาล่ะครับ ลงพวกแพนี้ไปจอดพักที่ไหนวิชานี้ก็แพร่ไปละครับจอดพักที่ใหญ่ๆเช่นที่เมืองการท่าม่วงท่าเรือนี้ล่องไปเรื่อยๆผ่านบ้านโป่งโพธารามเจ็ดเสมียนราชบุรีล่องไปจนถึงแม่กลองเพราะว่าไม้ไผ่ไม้รวกเนี่ยต้องใช้กันมากที่นั่นเหลือเท่าไหร่ล่องเข้าคลองลัดที่แม่กลองเข้าไปจนผ่านคลองหมาหอนแล้วก็มาออกที่แม่น้ํานครชัยศรีคือปากแม่น้ําท่าจีนมหาชัยนั่นแหละ ถ้าเกิดว่าขายไม่หมดเนี่ยก็ล่องต่อเข้าคลองมหาชัยมาออกดาวคณองผ่านมาต่างที่และไม่ว่าพวกล่องแพ้เนี่ยมันจะผ่านที่ไหนก็ตามเจ้าตำราใบพลูเนี่ยก็ต้องรู้จักกันไปทั่วอ๋อผมร้องผมก็เพิ่งจะรู้จักใบพลูหรือว่าหมูก็คราวนี้นี่เองครับแล้วในกลั่นเนี่ยก็คงจะเอาวิชาพลูหรือว่าวิชาหมูเนี่ยมาจากพวกล่องแพรใช่ไหมครับ อืมไอ้ใบพลูหรือว่าหมูนี่นะมันยังไม่ร้ายเท่าไหร่ดอกคุณแต่ที่นี้เนี่ยเจ้ากลั่นของผมเนี่ยมันดันสูบฟินเข้าเอาทีเดียวมันก็เลยกรอบกันเท่านั้นเองฐานะก็แย่ลงแย่ลงอย่าไปพูดถึงแม่ยายมันเลยโดนด่าทุกเช้าทุกเย็นเป็นโขกแป้งดูมินเกลียดชังอยู่ๆไปเนี่ยเจ้ากลั่นก็ล้มเจ็บฝินไม่มีสูบอาการก็หนักลงถึงกับใครก็บอกว่ามันตายแน่นอนแต่ลงท้ายมันกลับฟื้นขึ้นมาเมียก็พยาบาลไป แต่ว่าเจ้ากลั่นเนี่ยลำบากใจก็ให้เมียมันประคองร่างมันมาอยู่กับผมที่บ้านนี่แหละผมก็รักษากันไปตามมีตามเกิดจนเจ้ากลั่นเนี่ยค่อยยังชั่วมันก็บอกให้เมียมันไปอยู่กับแม่ส่วนตัวของมันจะบุกขึ้นเหนือไปทํางานเหมืองที่เหมืองปิล็อกแล้วก็จะหาเงินสักพักหนึ่งแล้วเขาก็มาลาผมไปทางเหนือนางกลมเนี่ยก็กลับบ้านแม่เขาแต่ว่าพอไม่กี่เดือนนะก็มีคนมาส่งข่าวบอกว่าเจ้ากลั่นเนี่ยตายในป่าลึกไข้ป่ากินตายเขาก็เลยฝังกันไว้ในป่านั่นแหละ ลูกเมียเนี่ยร้องไห้ระงมเลยแต่แม่ยายนี่รู้สึกว่าจะยินดีนะลูกสาวจะได้หาผัวใหม่เอา้าแล้วตายจริงหรือเปล่าล่ะครับเปล่าในแพลวตอบอย่างหนักแน่นมันเป็นข่าวลือนานไปพอข่าวเงียบเจ้ากลั่นก็แอบมาหาผมตอนกลางคืนมันไม่ยอมให้ใครเห็นตัวมันเลยนะมันกลัวแม่ยายกับเมียมันรู้ว่ามันไม่ได้ตายไปจริงๆเขามาอยู่กับคุณใช่ไหมครับไม่หรอกเขาไปแอบซุ่มตัวอยู่กับเพื่อนทางป่าซีกพระแท่นนูน่น พอเผลอคนก็แอบมาหาผมบ่อยๆเจ้ากลั่นบอกกับผมนะว่าที่มันหลบไปไม่อยากจะให้ใครเห็นก็เพราะว่ามั น, นไปมีเรื่องที่บ้านของเมียมันอยู่ที่ดอนเฝ้าบนบ้านมันน่ะไม่มีใครรู้ว่าเป็นผีกระสือแต่มีแน่ๆเลยนะมันไม่รู้ว่าเป็นใครกันแน่จะเป็นเมียมันเองหรือว่าเป็นยายหรือว่าเป็นแม่ยายก็ไม่แน่เหมือนกันอ้าวผมร้องมันเป็นยังไงกันอนะ่ะผีกระสือ ผมก็ไม่เคยเห็นหรอกคนระับเจ้ากลั่นมันมาเล่าให้ฟังมันบอกว่าเมื่อตอนมันฟื้นจากสลบเนี่ยแต่มันยังไม่สบายอยู่นะมันก็ขอนอนอยู่ที่ใต้ถุนบ้านอยู่คนเดียวเมียมันกับแม่ยายเนี่ยนอนอยู่บนเรือนก็อ้างว่าเจ็บไข้ที่ยังไม่แข็งแรงควรนอนคนเดียวไปก่อนจนกว่าจะแข็งแรงมันก็เอาแต่ที่นอนลงมาเท่านั้นแหละในเมืองเนี่ยไม่มียุงก็เลยนอนสบายไปเพราะห่ผมผืนเดียวก็พอแล้ว ไอ้กลั่นมันเล่าต่อว่ามันนอนอยู่ที่แค่ใต้ถุนในคืนนั้นมันยังนอนไม่หลับเลยคุณมันเห็นอะไรผิดหูผิดตามันก็เลยนิ่งมองดูมันเหมือนมีใครอยู่บนเรือนจะสูบบุหรี่แล้วก็ดับก้นบุหรี่เป็นประกายไฟร่วงลงมาทางร่องไอ้เจ้ากลั่นเนี่ยมันก็ยังคงมองดูอยู่มันก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมไฟบุหรี่ถึงไม่ดับเจ้าประกายไฟที่ร่วงลงมากองอยู่ยังคงแดงอยู่อย่างนั้นและในครู่นั้นเองเจ้าแสงไฟจากขี้บุหรี่นั้นเนี่ย ก็ค่อยๆเปลี่ยนจากสีแดงเรื่อๆเป็นสีเรืองเรืองขึ้นแล้วก็ก่อตัวเป็นก้อนกลมๆเป็นดวงไฟทั้งยังทำการลอยตัวพลดินขึ้นไปด้วยนะเจ้ากลั่นถึงกับนอนตัวแข็งดวงไฟดวงนั้นเนี่ยมันค่อยๆลอยสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณหนึ่งซอกลอยวนอยู่ใต้ถุนบ้านเอ๊ะมาใกล้ในกลั่นหรือเปล่าครับอ้าวมาสิมันลอยเข้ามาทีเดียวหลหคุณแล้วในกลั่นนอนเฉยเหรอครับ เฉยได้ยังไงล่ะคุณไอ้กลั่นนี่มันเกิดกลัวก็ขยับตัวจะหนีแต่ว่าดวงไฟนั้นเนี่ยมันเกิดหยุดเฉยคล้ายจะรู้ว่าเจ้ากลั่นมันตื่นแล้วไม่ได้หลับเจ้ากลั่นเล่าต่อว่าดวงไฟเนี่ยมันมีอะไรดำๆนะคุณคล้ายกับผ้าขี้ริ้วเปียกน้ําห้อยร่องแรงมาด้วยไอ้ผมก็สงสัยว่าตามที่เคยได้ยินใครๆเล่าให้ฟังบอกว่าผีกระสือนี่ลอยไปไหนมาไหนจะมีไส้ห้อยตามไปด้วย และที่ไส้ห้อยนั้นเนี่ยจะมีแสงไฟคล้ายกับว่าเป็นหยดเรียบไปทีเดียวเป็นสายเรียบราดไปแต่นี่เจ้ากลันมันบอกว่าไอ้ที่ห้อยอยู่เนี่ยมันไม่มีแสงนะมันเป็นดำๆลักษณะคล้ายผ้าเปียกน้ำห้อยลงมาเฉยๆไอ้กลันเองน่ะมันก็บอกว่ามันจะดูให้ถนัดว่ามันเป็นอะไรกันแน่แต่ก็ดูไม่ถนัดสักทีก็เพราะว่าแสงดวงกลมๆนั้นเนี่ยมันเข้าตาตามที่เจ้ากลันกลัว มันก็ร้องด่าไปหยับหยับแคลยๆแล้วก็ง้างมือง้างแขนตวาดไปมาเจ้าดวงไฟมันก็กลัวเหมือนกันแหละมันก็เลยลอยหนีไปไอ้เจ้ากลั่นเนี่ยมันก็เลยต้องเตะลมเตะแรงไปตามวืดแต่ไม่ถูกก็เพราะว่าดวงไฟนั้นเนี่ยมันลอยหนีไปแล้วเตะไม่ทันมันมันลอยไปทางบ้านอื่นแล้วก็เลยเข้ารกเข้าพงหายไปแล้วในกลั่นเห็นจะรีบหนีขึ้นเรือนสิขึ้นอะไรล่ะก็ไอ้กลั่นเนี่ยมันบอกว่าเห็นกระสือลงมาจากเรือนมันแท้ มันจะขึ้นไปทำไมล่ะคุณไอ้กลันนะ่มันก็หนีไปขอกระต๊อบเพื่อนมันแล้วก็ขอนอนด้วยในแผลวผู้เล่าดื่มเหล้าขัดจังหวะโอ้โหแย่เลยนะผมว่าโอ้แย่สิครับคุณเช้าขึ้นมาแม่ยายนี่ด่าเจ้ากลันเลยนะบอกว่าเรือนมีทำไมไม่นอนไปนอนใต้ถุนให้คนนินทามีหนำซ้ายังไปอาศัยนอนที่กระต๊อบคนอื่นอีกนี่แหละครับเหตุที่ไอ้กลันต้องหนีออกมาหาผมอีก แล้วยังไงก็เลยหนีเข้าป่าทางเหนือพี่อีกจนลือกันว่ามันเจ็บมันตายไปเอ้ไอ้ผีกระสือเนี่ยผมไม่เคยเห็นเลยนะผมเคยเห็นแต่มันไกลมากบางคนเขาบอกว่าผมคงเห็นหนอนกระสือมากกว่าแต่เขาว่าถ้าเป็นหนอนกระสือมันจะลอยสูงกว่าพื้นดินได้อย่างมากก็แค่ฝ่ามือเดียวไม่สูงกว่านั้นถ้าเป็นกระสือแท้ๆจะลอยได้สูงมากเท่าตัวคนเลยนะแล้วเขาก็ว่ากันว่าถ้าใครเป็นกระสือเนี่ย แกจนจะตายก็ไม่ตายลงถ้าไม่มีใครในบ้านยอมรับว่าจะรับช่วงเป็นกระสือต่อไปแทนตัวเองก็ตายไม่ลงอีกร่วนครั่งไปเถอะนี่แหละครับไอ้กลั่นก็เลยต้องหนีไปเพราะว่าถ้าแม่ยายเป็นกระสือก็จะต้องถ่ายให้เมียมันว่าถ้าเมียมันเป็นกระสือก็จะไปเป็นอีกนานเลยเพราะว่ายังสาวมันก็เลยต้องหนีไปเวรกรรมนะครับผัวเมียก็เลยต้องแยกจากกันครับเวรกรรมจริงๆ ทีนี้หลังจากที่มีข่าวว่าไอ้กลั่นของเราเนี่ยตายไปแล้วนางกลมเป็นไหมผัวพอสักหน่อยเดียวก็มีชายแปลกถิ่นเกิดมารักนางกลมเพราะว่าได้รำวงด้วยกันแม่ยายเจ้ากลั่นนี่ดีใจยกใหญ่ก็เลยให้อยู่กินกันอ้าวแม่กลมก็เลยมีผัวใหม่ครับแต่ไม่ทันกี่เดือนหรอกครับไอ้ผัวใหม่ก็หนีไปอีกเอ๊ะถ้าจะเจอกระสือเข้าหรืสิอ่าถ้าอย่างนั้นกับมังครับนางกลมก็เลยเป็นไหมผัวร้างอีกคนที่สอง ในกลันเคยมาหาคุณบ่อยไหมแล้วรู้เรื่องนี้หรือเปล่ารู้สิครับมันมาบ้านผมแล้วก็ยังเลยไปบ้านมันอีกก็มีคนเห็นเข้าก็ร้องกันบอกผีไอ้ ก, กลันลอกอุบะวุ่นจังเลยไปทำไมกันเนี่ยเขามีผัวใหม่กันไปแล้วถึงว่าสิครับผมไม่อยากพูดเลยแนแพลวพูดและถอนหายใจเอหรือว่าในกลันย้อนกลับไปเยี่ยมหรือยังไงครับมันไม่ได้ย้อนไปเยี่ยมนะสิครับมันย้อนไปเป็นผัว แนแพ้วกระแทกกลนแก้วเหล้าแล้วก็ถุยน้ำลายแล้วกันย้อนไปเป็นผัวเมียกันอีกเนี่ยนะเลวจริงๆเลวซ้ําานแพวคำรามทำเสียเชิงชายไม่รักศักดิ์ศรีพี่ลึกผัวเมียคู่นี้ผมคลางออกมาก็ไม่กลมเองก็เข้าใจว่าผัวตายก็เลยยอมมีผัวใหม่แล้วเหตุใดจึงยอมพบกับในกลั่นอีกไม่กลัวผีกันหรือยังไงคนแถวนั้นเห็นว่ามันอยู่ได้กันตอนกลางคืนนะ ก็ร้องว่าอีกกลมมีผัวผีนางแม่ยายก็เที่ยวพูดทั่วๆไปบอกว่าลูกสาวมีผัวผีแล้วตัวแม่ยายก็ไปอาศัยคนอื่นอยู่แน่แผวพูดนายกลันแอบมาหาคุณบ้างหรือเปล่าล่ะครับผมถามไม่เลยหายหน้าไปเลยผมก็ไม่ไปหามันเหมือนกันมันทำเสียวงสาคณาญาตแล้วตัดขาดมันไปเลยแต่ว่าอีกกี่ไม่มากน้อยเท่าไรหร่รอ ก, ก็ได้ข่าวว่าไอ้ ก, กลันหายไปนางกลมน่อ ย, อยู่บ้านคนเดียว ผมก็เฉยไม่ไปถามไถ่อะไรทั้งนั้นจนวันนึงนางกลมผ่านมาทางนี้ผมก็เลยถามไปตามฐานะพี่เคยนางกลมเองมันก็ตอบมาบอกว่าหายไปนานแล้วมันพูดแล้วก็แล้วไปจนเดี๋ยวนี้ก็เลยไม่รู้เรื่องไอ้กลัน่นดูมันลึกลับสับสนจริงๆเอ๋หรือจะตายอย่างที่เขาลือกันผมออกความเห็นก็พูดไม่ถูกนะ เมื่อเร็วๆนี้ก็มีคนที่ทําเหมือนปีล็อกพบกับผมเขาก็บอกว่าไอ้กลั่นนะตายจริงๆเป็นไข้ในปลาเขากับเพื่อนก็ช่วยกันฝังกับมือเขาเองทีเดียวแต่มันจะเป็นไปได้ยังไงกันไอ้กลั่นมันพบกับผมอยู่บ่อยๆแล้วก็ยังกลับไปเป็นผัวอีกกลมอีกเออมันก็เลยพูดไม่ถูกแน่แพวพูดจบแล้วก็วางหน้าอย่างสนเท่ผมก็เกิดสนเท่พอรุ่งขึ้นผมก็เลยลาในแพวกลับกรุงเทพเกรงว่าในกลั่นจะเกิดมาหาในแพ้วเข้า ถ้ามาอย่างคนจริงๆก็ไม่เป็นไรถ้ามาอย่างที่เขาลือกันผมก็แย่ไปเลย